วิธีให้พระอนุโทษตและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้พระอนุโทษอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงให้ภิกษุยอมรับครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญ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 กับการให้ภิกษุนี้เป็นอนุทูตแก่ภิกษุสุธรรมเพื่อขอขมาจิตตะคหาบดีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุนี้สงให้เป็นอนุทูตแก่ภิกษุสุธรรมแล้วเพื่อขอขมาจิตตะคหาบดีสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้